ช่วงนี้อาการมันจะหนาวเนะวทนาก็จะเกิดมากฤดูร้อนก็เป็นอีกแบบนึงอยู่แบบอึดอัดร้อนตื่นเช้ามาวันนี้เป็นเดือนธันวาประเทศไทยนีด่ดีมีฝนมีฤดูหนาวมีฤดูร้อนคือได้สัมผัสกับเขาทั้งหมดทุกฤดูนะ ประเทศไทยเรายนดีถือว่าเป็นโชคดีคือมันอุดมสมบูรณ์ที่ไหนแห่งใดในโลกนี้เกิดภัยพิบัติไห ย, ย, ยประเทศไทยมักจะช่วยเหลือเขาเพราะเรามีความสะดวกสบายมีความอุดมสมบูรณ์ทางนั้นทรัพยากรนี่มันก็หล่อห ล, อ, ลอมจิตใจคนไทยให้เป็นคนชอบทําบุญทําทานเพราะเรามีอะไรที่ต้องทานได้ มีอะไรชอบเอาไปทาบุญใจก็ทําบุญทาทานร่างกายก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเห็นคนตกทุกข์ยากก็อยากช่วยเหลือชอบทาบุญด้วยวัตถุทานทําบุญด้วยกําลังภาษาพระเขาเรียกว่าทานบารมีคือบำเพ็ญบารมีทานะบารมีทานะอุปปารมี ประเภทที่สองเนี่ยก็คือทานกำลังให้วัตถุสิ่งของนี้ยังไม่เท่ากับให้กำลังนะเอากำลังไปลงทุนช่วยเหลือเนี่ยยากกว่าเราบริจาคเงินทองเองของยังไม่เท่ากับเราไปช่วยงานคือพุทธศาสนาเนี่ยจะมองไปที่การกาจัดอัดตราตัวตนลองให้วัตถุสิ่งของขออกไปก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือ เป็นการกำจัดอัตตาของเราเองกำจัดความโลภความตระหนี่ที่เหนียวถ้าเราให้อะไรใครออกไปแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจเราไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้คุณข้องมองใจเนี่ยนี่แสดงว่าบา ร, รมีมันจะเริ่มเต็มเราจะไม่มีคำว่าได้คำว่าเสียเกิดขึ้นกันจิตเราเนี่ยจะรู้สึกมันสบายชีวิตเนี่ยเราไม่ไปทุกตรงนั้น บางคนเนี่ยบริจาคเงินห้าบาท1ิบาทออกไปไคิดมากคิดแล้วคิดอีกมีคาว่าได้คาว่าเสียอยู่ด้วยมันก็ทำให้เป็นทุกข์นะฉะนั้นการทำบุญทำทา น, นเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์แต่ในขณะเดีวยวกันเขามุ่งมาที่สภาวะจิตไม่ใช่มุ่งไปที่เราช่วยเหลือใครอะไรยังไงนะพุทธศาสนาเนี่ยการทานคือการจัดความโลภการขจัดความโลภ ออกไปจากใจยิ่งเราให้มาก เ, เข้ามาเข้ามาเข้าเหมือนพระเวสสันดรเนี่ยไม่แต่ให้ลูกให้เมียสละพระราชบัลลังก์สละช้างทรงสละราชรถนสละช้างปัจจั ย, ยนาขีนก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเขามาขออะไรก็ให้ให้ให้ใจสบายนี่เขาเรียกว่ากำจัดมะมังกาะจิตของคนมันมีสองสภาวะ หนึ่งอาหางการสำคัญว่าเป็นตัวตนตัวกูมัมังการนี่คือของกูก่อนที่จะขึ้นตัวกูเนี่ยก็กำจัดของกูออกไปก่อนเราเกิดมาเรามีความหลงหลงว่ามีของเรามีตัวเราเราก็สลัดออกไปบริจาคพระหัตให้กับคนนี้สิไหวไหมไม่ได้ติดทรัพย์สมบัติดีนี้คน ห, หลายๆคนสะสมของเก่าของโบราณ สะสมอันนั้นอันนี้เข้ามาแทนที่จะใหเอาไปให้มันเป็นประโยชน์ของคนอื่นไม่แม้แต่เสื้อผ้าชุดเก่าๆมียี่ห้อไปบางบ้านไปบางแห่งบางสถานที่เนี่ยมีการสะสมขวดเหล้านอกด้วยใส่ในตู้โชว์ดูดิขนาดขวดเหล้าเก่าๆมึงยังสะสมอยากให้คนรู้ว่ากูกินของนอกนะเนี่ยกูเมาระดับนอกนั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอายแต่คนก็ไม่รู้ ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ว่านี่คือการทําหน้าที่ในการปล่อยวางเราหลงไปมากแล้วขนาดธรรมดาเรายังเป็นอย่างเนี้ยนี่เราถึงกับไปไกลความหลงเนี่ยท่านถึงให้การฝึกฝนให้เกิดการฝึกฝนการอบรมจิตนะเป็นที่มาของการทําบุญทานนา้ำใหมบุญสําเร็จด้วยการบริจาคทานบุญจะเกิดขึ้นก็เพราะการบริจาคทาน ศีลแลม่บุญบุญนี่เป็นชื่อของจิตนะจิตของเราที่มันดีดีมันสะอาดสว่างสงบยอดบุญก็คือเหนือทุกยอดบุญเนี่ยเหนือทุกถ้าเราอยู่เหนือความทุกได้แล้วแหละยอดของบุญยอดมหาบุญแต่ที่เราไม่เข้าใจโชควยการกุศลกุศลไม่ใช่ความฉลาดนะกินเล่าโ กินเหล้ากันไหมมีบุญมีบุญต้องมีเหล้าถ้าไม่มีเหล้าก็ไม่มีบุญเขาบอกว่าถ้าเหล้าเป็นบุญลงกันสุราก็เป็นมหากรุสัน่ะแต่ความจริงมันไม่ใช่มันเป็นความเข้าใจที่มาอธิบายเข้ากับกิเลสของเราเองนั่นเองเขาจึงให้มาเฝ้าดูชีวิตจริงๆสิมันเป็นยังไงเดี๋ยนี้คนตั้งหลายตั้งพวงหลีกเลี่ยงจะใช้คําว่าบุญ ใช้คำว่าจิตอาสาเดี๋ยวนี่้คือทําอะไรเพื่อคนอื่นแล้วไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยทําด้วยความสบายใจทํำด้วยเห็นว่าเป็นสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลเนี่ยเราเรียก ว, ว่าจิตอาสาเขาผลิตคําใหม่ขึ้นมาแต่ก่อนเขาใช้คําว่าบุญเอาอันนี้ทําให้ทําเอาบุญอธิบายได้ไหมไม่ได้นะบุญบุญเป็นชื่อของความสุขให้ท่าน ทำไมจึงให้ทานได้มาให้ไปให้ไปก็มีความสุขนะให้อันนั้นสิ่งของให้อันนั้นให้อันนี้มีความสุขนั้นคนไทยก็ชอบทําบุญฝึกมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยชอบทําบุญทําทานทําบุญให้กับคนนั่นทําบุญให้กับคนนี้ฤดูหนาวเนี่ยไปบริจาคเสื้อผ้าเครื่องใช้เครื่องแต่งตัวในอินเดียเนี่ยถ้าหนาวแบบนี้เนี่ยตายหลายร้อย ใจเดียมันจะหนาวกว่านี้หนาวขนาดมองไม่ค่อยเห็นกันนะแล้วคนของเขาเนี่ยหนาวขนาดไหนเหลยหนาวขนาดว่าอยู่เป็นปีไม่เคยอาบน้าก็มีเขาไม่เคยอาบน้าเป็นธรรมชาติเลยผมนี่บิดเป็นเกลียวขึ้นไปได้เลยเองโยเพพาะพวกคนขอทานเขาเนี่ยเขาไม่มีฉั้นพวกที่ตายเขาพวกขอทานนี่จะตายเยอะมากเกลื่อนเลย เขาเป็นร้อยล้านดู่นะขอทานเขาเนีอยู่ไหนก็จะออกข่าวอะ่ะถ้าช่วงฤดูหนาวเนี่ยท่านว่าทันวามกราในช่วงหนาวสุดประเทศทะเลก็สบายเอาไปบริจาคที่โน่นไปบริจาคที่นี่ยังสนุกอยู่กับการบริจาคกานเพราะนั่นเรามีความสุขนะเรามีวัฒนธรรมของการให้ทานมามาบวกเข้ากับคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยจึงรับกันได้พอดีเลยการทำบุญทำทาน ในประเทศไทยจึงเฟื่องฟูมากไม่ว่าจะไปประเทศไหนไปอยู่ที่ใดเราชอบให้ทานคนไทยเนี่ยไม่แต่ชาวต่างประเทศเนะเขาก็ชอบทําบุญนําทานคนไทยเนี่ยมันหาพระยากหาที่ทําบุญหาที่พึ่งทางใจยากงั้นเขาก็จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เอาเราจะได้ยินข่าวหรอกเอาไปขอพระปาจากไต้หวันแล้วนะอย่างยุโรปแล้ว เขาก็ชอบทำเพราะทำแล้วมันสบายใจแต่คนเราสมัยโบราณจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือไปช่วยงานวัดอา้าววันนี้เป็นลงแขกนะให้กำลังวังชาบางคนเสียงเงินไปอา้าให้ไปสองร้อยไปจ้างเอาเองนะไม่ประทับใจเรารู้สึกว่าคนที่มาช่วยเราเนี่ยช่วยน้อยช่วยมากก็ตามถ้ามาช่วยรู้สึกเราเประทับใจเห็นไหม เขาจะเน้นผลทางท่านจิตใจมากกว่าอย่างอื่นลื่อมตากว้างๆโยมมองไกลๆอย่าไปนั่งหลับตาทํามันก็หลับแล้วเนาะเลื่อมตากว้างๆมองไกลๆ ย, ยกมือสร้างจังหวะทําสูงๆให้รู้ทันก่อนที่มันจะง่วงมันจะเหงาเข้ามาเนี่ยต้องเห็นมันก่อนถ้าเราไม่เห็นมันมันก็ไหลไปเรื่อย ๆ, ๆก็หลับแล้วฮัลโหลทให้จิตนี่มันตื่นตัว เดี๋นี้เรามาฝึกสตินะเนี่ยแต่ถ้าหลับตา ย, ยกมือไสจมว่ า, าไปไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็นหลับเขาไม่ได้ให้หลับตาทำเหมัอนให้ลืมตาทําเวลาสอนอะไรนี่เอาไปใช้เลยอย่าไปฝืนเพราะนี่มันผ่านการพิสูจน์มามากกามแล้วละ่ะว่าทําอย่างนี้นี่มันเป็นเหยื่อของความง่วงง่ายนะความเบื่อง่ายนะความหลับง่ายนะต้องเอาท่านั้นท่านี้เนี่อะไรประมาณเนี้ยแั้นลองเอาไปใช้ดูเวลาบอกเนี่ย ที่บอกว่าคนมันเจริญเติบโตช้าคนมันบำเพ็ญบา ร, รมีก็เข้าถึงช้าเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันไม่ฟังนี่แหละเวลาสอนเนี่ยแล้วมันก็เลยทําไม่ได้ทําไม่ได้แต่ไม่ชอบเอาวายที่คนอื่นเขาสอนเอาไปใช้ชอบแต่ฟังแต่ฝืนตัวเองเนีนทําไม่เป็นนั้นตื่นมาแล้วอย่ให้มันง่วงมันเหงาเลยตื่นมาแล้วตื่นเลยขยันฝึกนะ ให้สามารถต่อสู้กับกิเลสของตัวเองได้ที่อยู่ในใจเนี่ยอย่างที่บอกว่าตั้งธงเอาไว้เลยว่ากิเลสได้มีห้าตัวในเบื้องต้นเนี่ยฝืนมันให้ได้เขาเรียกว่านี่วอนห้าทิ้งเรายกมือยกบายตากลับไปเนี่ยคือมันไปตั้งนานแล้วมันหลับตั้งนานแล้วเองบอกตัวเองเนี่ยเรานอนมานานแล้วคนละยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบปีแล้วมันน่าจะพอแล้ว มันถึงเวลาตื่นแล้วตอนนี้นี่เขามาฝึกตื่นนะเนี่ยเขาไม่ได้ฝึกศาสนาหลับพลันกันทีนี้พูดถึงเรื่องการให้ทานเนี่ยตั้งใจฟังดีๆนะแต่ธรรมาเทศต์ไปคุยไปเรื่องโยมก็หลับไปเรื่อยก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรกันนะธรรมาก็คือต้องเริ่มฝึกใหม่จับโยมมาฝึกใหม่ฝึกจากการหลับให้มันตื่นไวซะก่อนถ้ามันตื่นปกติแล้วค่อจะเทศให้ฟังอะไรประมาณนะั้นถ้ามันหลับๆอยู่มันก็เทศไปไม่ได้ เต้นให้ผีฟังเลยนั้นเราต้องตื่นตัวหัวนี่มองไกลๆเนอะอย่าไปก้มให้รู้ว่านี่มันง่วงเข้ามาแล้วนะกูเนี่ยเนี่ยต้องดูมันออกนะถ้างั้งนสามวันห้าวันเจ็ดวันผ่านไปด้วยเปล่าปราศจากประโยชน์นะเนี่ยจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะวันนี้ก็หลับเอาตอนเช้าก็หลับกลางวันก็หลับตอนเย็นก็หลับแล้วจะได้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าคนอินทรีย์อ่อน คนยินเสียอ่อนะไม่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมได้เราเข้าไปอยู่ในความง่วงไงเราไม่ใช่เราเห็นความง่วงอันนี้เราให้มาให้เห็นความง่วงนะจะไม่ใช่เข้าไปอยู่ในความง่วงให้รู้เท่าทันมันเนี่ยเรามาฝึกจิตนี่บางคนฝากเงินมาทําบุญนะฝากเงินมาทําบุญกับ เอาตัวเองมาทำบุญเลยเนี่ยอะไรจะยากกว่ากันเนาะเอาตัวเองมาฝึกเลยก็ฝากมาเนี่ยธอ ถ, ถามว่ายากไม่ฝากมาเนี่ยก็ยากเมื่อวานโยมฝากเงินมาจากจังหวัดตรังกับจังหวัดอะไรอะสวีเด น, นไม่ใช่จังหวัดในะประเทศเขาบอกเอยากทำบุญช่วยค่าวเว็บไซต์วัด ถามว่าเขาทำแค่นี้เขาก็ถือว่ายากแล้วนะสวีเดเนียเงินเขาเป็นเงินโคโรนของเราเป็นเงินบาทเยอรมันเป็นมากแต่ถ้าเขามาเองมาฝึกฝนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะยากโยมโยมที่อยู่สวีเดเนียเขาปฏิบัติธรรมเขาอ่านดูในเว็บไซต์ แล้วก็อ่านแล้วเขาปฏิบัติเขาทำความเพียรศึกษาตั้งใจแต่ก่อนเขาก็ปฏิบัติทำแบบของเขาแต่ต่อมาเขาทำาเนี่ยแล้วเขาทำเองที่น่นนะทำอยู่ประมาณเขาก็ทำไม่นานนะสิบกว่าวันเขาเกิดรู้รูปนามขึ้นมาก็ เ, เลยดีใจอยากทำบุญด้วยคอยชวนเพื่อนแล้วเอาคำสอนไปแปลเป็นภาษาสวีเดน ให้คนฝรั่งสวีเดนเข้าปฏิบัติในขณะเดียวกันก็อยากทาบุญทำทานเลยวะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคนถ้ามันทำจริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็เอาตัวเองเป็นครูบาอาจารย์ได้เลยฝึกฝนเนี่ยเวละเขาพูดมาแ่ลนทีไปนั่งฟังเขาพูดอีโทรศัพท์เป็นชั่วโมงนะคือเขาอธิบายสิ่งที่เขาเข้าใจวันนี้เกิดเข้าใจอยู่ๆก็เกิดเดินจงกรมไปเกิดสามีเขาเป็นคน นัถือผู้ศาสนานิกายเซนเกิดความเข้าใจเรื่องสมมุติเรื่องปรมัตดขึ้นมาเขาว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเองอะ่ะมันมาแล้วมันก็ดับเองมาแล้วก็ดับเองไม่ได้คิดเดี๋ยวนี้ยว่าเป็นรูปรถกลิ่นเสียงเนี่ยเป็นไงก็ไม่รู้ดูมันเฉยๆพอกระทบปุ๊บแล้วดับเองไอ้ที่ดับเองที่มันเป็นเองนเนี่ยเขาเรียกว่าปรามัตดความคิดมาดับเองอะไรกระทบมันดับไปเองเห็นแต่อาการเกิดขึ้น แล้วก็อาการดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทีนี้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทิ้งสามีว่ะนี่จิตเขาจะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นไงมันปล่อยวางได้มันเฉยได้แต่ก่อนนึกว่าสามีรู้ธรรมะแต่พอเขาเข้าใจสภาวะธรรมะเนี่ยดูออกว่าสามีไม่รู้ก็เลยว่าเอาสามีมาสอนธรรมะทีเนี่ยเพั้นธรรมะเนี่ยมัน ไม่จํากัดการไม่จํากัดสถานที่ม่าต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะขอแต่เราตั้งใจทำเท่านั้นเองทําให้มันถูกต้องอย่างเขาบอ ก, ลล ก, อกว่าเลยเรื่องรู้นี่ก็เลยเรื่องรู้มันถูกต้องแล้วทําจริงจังนะยิ่งถ้าคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยความเพียนมันต้องบังคับตัวเองได้ดีมากๆสองเท่าสามเท่าขึ้นมาเอาตั้งใจฝึกนะเดีนะ๋ยเขาก็ตั้งใจฝึกตั้งใจทําความเพี่ยนตอนเยน็เยนๆค่ำๆเนี่ยเขาจะโทรมา นะส่งอารมณ์คุยด้วยอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งเออวะเนี่ยท่าก็ภูมิใจเขาบอกว่าอยู่ประเทศไทยไม่รู้ไปอยู่เมืองนอกรู้ธรรมะแล้วเขามีหนังสือของหลวงปู่อะไรเนี่ยเขาส่งไว้เขาว่าหนังสือนี้เขาเคารพมากนะมองหลวงปู่นี้ว่าเป็นพระอรหันต์สำหรับเขาจนทั้งท่านตายแล้วนะในหนังสือประวัติปไปเลยเพอาะเขาเข้าใจธรรมะนี่ เขาฝากส่งมาให้วัดโสมมันนั้นอันก็เอาออกอันนี้ก็ อ, ออกเราเองนี่แหละคือคนเข้าใจธรรมะอันข้างนอกก็คือข้างนอกเมื่อก่อนเนี่ยหวงมากหวงมากแตนี้ฝากไปถวายวัดพาไปถวายวัดอะไรประมาณนังสือเขาเก่าๆหรอกเขาฝากมาให้อยู่ตั้งไกลนะไม่ใช่ใกล้ท่านไปอยู่ไกลๆเนี่ยมันไม่มีที่พึ่งมันไม่มีที่พึ่งไม่มีสาระ ถ้าได้ครูบาอาจารย์ดีก็ดีไปถ้าได้อาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่ดีก็กลายเป็นคน ง, งมงายในต่างประเทศเนี่ยพระสงฆ์ข้าราชาเราประเทศไทยมีกลุ่มมีคณะนะพระสงฆ์ไปทําพิธีสะดเดาะเคราะห์อยู่เมืองนอกแล้วนะเป็นคณะไปสวดพ่านยักษ์สวดนั่นสวดนี้เป็นคณะไปสวดเอาที่เมืองโน้นเมืองนี้ไปทั้งเยอรมันทางะอะ้รก็แยะแย่นะร่วมกับทางเจ้าอาวาสทางโนนเจ้าอาวาสทางนนก็นงมงายก็ใครๆว่าชวน พระติดต่อท่านนี้ไปทำพิธีแบ่งครึ่งกันอะไรไถ้ายมโง่โงเนี่ยจะตกเป็นเป้าหมายของการหลอกลวงตลอดเวลาเพราะเราไม่เข้าใจกายไม่เข้าใจจิตเท่านั้นเองนะแต่เราติดอยู่กับประเภททานทานทานทานทานทีนี้มันทานแต่เรื่องของวัตถุเงินทองเข้าของแต่เราไม่มีไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีการทานทำเร่องกำลัง เาเรว่าทานะอุปปารามีทานะอุปบารามีอันนี้ทานสภาวะที่ใกล้บรรลุธรรมใกล้ตัวใกล้ใจเข้าไปเรื่อยๆช่วยเหลือเขาอาช่วยหยิบช่วยหามช่ว ย, ว ย, วยทําน้นทํานี่นะโปรจิตอาสาเนี่ยคือแบบนั้นแหละทําด้วยใจแต่ว่าจะให้มันดีกว่านั้นหน่อยเขาเรียกว่าทานะประมาถบรารมีฐานะประมัาถบรารมีก็คือทานอารมณ์นั่นยากกบี ทานวัตถุสิ่งของก็ยากแล้วทานกําลังวังชาก็ยากแล้วทีนี้ทานความคิดละ่ะทานอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างโลภเกิดขึ้นงุนหิตเกิดขึ้นเบื่อหน่ายเกิดขึ้นไอ้ทานมันออกทานมันออกทานออกปล่อยวางนะั่นเองเขาเรียกว่าปล่อยวางแต่เขาใช้คาว่าทานนะปรปมัตถบรมีทานมีสามสิบทัศมีสามสิบบรรทัดมีสามสิบเกณฑ์เกณฑ์ที่หนึ่งก็คือเนี่ย อย่างที่เขาสร้างตัวตนเอาไว้นะว่าพระอันนั้นบําเพ็ญทานบําเพ็ญศีลบําเพ็ญปัญญาบําเพ็ญอดทนบนานทําเพ็ญอะไรต่างเนี่ยสรุปแล้วก็มีอยู่สามสิบแบบแต่มันจะมีแต่และแบบเนี่ยคูณด้วยสามคือหนึ่งทานขั้นธรรมดาขั้นกว่าแล้วขั้นสูงสุดสูงสุดก็คือเรื่องของอารมณ์นะถ้าอดทนนี่ก็คืออดทนต่อร้อนต่อหนาวนี้ธรรมดาขั้นที่สอนี่อดกลั้นนะ ขั้นที่สมเนี่ยไม่ใช่อดทนแล้วทีเนี้เขาเรียกว่าอธิเวสนาขันติคืออดทนอย่างยิ่งอดทนจนถึงแม้มันสลายทุกได้นะแล้วมันกลับปกติได้เลยอดทนแบบไม่อดทนอธิเวศนาขันติเนี่ยอธิวาสนาั้นมันจะมีอยู่สามแบบแต่คนไทยเนี่ยหรือคนทั่วไปก็จะมีอยู่แบบที่หนึ่งอย่างมากก็แบบที่สอง แต่แบบที่สามเนี่ยทานอารมณ์เนี่ยมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยทําความทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวเองเอาความโกรธความโลภความหลงความโง่อย่างเงี้ะมันมีมันติดอยู่ในใจทําไมเราจึงสลัดมันออกเป็นเน่ะทําไงจึงจะสลัดมันได้คนมันไม่อยากสลัด เ, เนี่ยมันไม่อยากปล่อยไม่อยากวางไม่อยากทิ้งมันเลยเลยหลงไปเรื่อยทำไมไมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นเนะี่ย ทานวัตถุเนี่ยมันมองเห็นง่ายๆความเสียดายมันไม่มีเท่าไหร่แต่ประเภทที่สองเนี่ยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆประเภทที่สามถ้าไม่มีพื้นฐานมาจากการฝึกสติเนี่ยมันทานไม่เป็นเน่ะประเภทที่สามเนี่ยอยางสลัดทิ้งความคิดสลัดทิ้งความง่วงสลัดทิ้งความเหงาเนี่ยมันทานไม่เป็นไม่ได้จะหลงเข้าไปเนะี่ยเพราะมันต้องรู้ทางอ่ะเนี่ยถ้าไม่รู้ทางเอาออกไม่เป็นน่ะ นั่นประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมที่พุทธศาสนาจะมาดำรงอยู่เพราะคนไทยนี้ชอบทำบุญดาทานไปเถอ้นะทาบุญดาทานทำบุญดีจังแต่ว่าปัญหามันก็คือเราติดอยู่กับบุญปัญหาเนี่ยมันไม่พัฒนาไปสู่การให้ทานทางธรรมทานธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ย เราสลัดเราปล่อยวางไม่เป็นนั้นจึงมีพุทธศาสนามีวัดวาอาวาดประเภทที่เกิดมาเพื่อสูบกำลังศรัทธาของญาติโยมอยม่างเดียวนะถ้าแล้วจะไปขึ้นสวรรค์ชั้นนั้นจะไปเจอพระสีอานตรงนี้อ่าเ้ราก็เสร็จเขาแล้วอันเนี่ยเพราะเราไม่เข้าใจสัจจะไงไม่รู้จักว่าวิถีชีวิตเราเป็นแบบนี้นะคัมภีร์ตำรับตำราหลายหลายแห่งหลายๆที่หลายๆบทหลายๆตอนก็จะเขียนไปเพื่อให้คนทาบุญทาทาน เพื่อบริจาคได้บุญกุศลแบบนั้นแบบนี้นะเรื่อยๆเนะี่ยแต่พุทธศาสนาจริงๆแล้วก็คือเขาสอนเรื่องการดับทุกข์มีแต่ทุกต่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกเท่านั้นดับไปลืมตากว้างๆมองไกลๆอา้านี่มโนพระสงฆ์หันหน้าไปทางโยมหน่อยลูกน้อยก็ไม่ปาน จะมันพาหลับพาตื่นอยู่นี่แหละอ้าวหลับตานะ่าลืมตาขึ้นอันนี้เป็นมันนะจะมาเลี้ยงเกินไปนกว่าเกินไปแล้วเนาะมันอ่อนแอไงต้องอาศัยการประคับประคองประคับประคองจิตประคับประคองกายประคับประคองอินทรีย์ให้มันแก่กล้าอินทรีย์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนะี่ยเรียกว่าอินทรีย์ฮะ ทำให้มันแก่กล้าขึ้นปัญหามันคือยิ่งคุณนั่งแบบสะดวกสบายเท่าไหร่คุณก็ยิ่งง่วงมากแต่เราไม่สังเกตไงความเฉลียวใจเราไม่ค่อยเกิดมีอินทรีย์เราอ่อนเราไปใช้ของดีเหมือนเด็กเล็กๆเนี่ยมันไปเล่นไฟเนี่ยไฟมีประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์แต่มันจะไหมมันเด็กมันเล่นมีดเล่นปืนเดี๋ยวมันก็ตายเหมือนกันนะไอเดียบทอะไรที่สะดวกสบายเนี่ยเวลาไปใช้ทั้งที่เราอินซีย์อ่อนอยู่เนี่ยเราไม่รอดหรอกงั้นพยายามฝึกเอาฝืนเอา อยู่ในท่าที่มันยังยากมันจะช่วยได้เยอะเหมือนเราขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าเราขี่จั ก, กรยานเป็นปรปขับมอเตอร์ไซค์มันจะงง่ายเพราะรู้จักประคับประคองไงเพราะนั้นใจเราเนี่ยสังเกต ด, ดูดิบางทีถ้าจิตไม่เข้มแข็งเนี่เขาบอกว่าอืมพัฒนาขึ้นไหมแต่ก่อนเน้นการทําบุญการสร้างจิตจิตที่มีความสุขจิตสะดวกสบายด้วยกันให้ทานต่อมาในรักษาศีลไหม ลองอดทนข้อที่มันยัยากขึ้นดูดิยากขึ้นฝึกมันยากขึ้นนะ่ะให้วัตถุคนอื่นไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้ารักษาศีลล่ะศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าดูนี่ยากไหมยากแต่ถาว่ามีความสุขไหมถ้าทาได้มีความสุขเนี่ะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมประเพณีไม่โกหกไม่ดื่มสุราหรือเปลก็มีความสุขมากขึ้น อดทนมากขึ้นแต่มันก็ยากขึ้นนะทีนี้ถ้าสีแปดล่ะไม่กินข้าวกลางคืนเนี่ยไม่กินอาหารในเวลาวิการไม่ประดับตกแต่งไม่เสริมสวยปะแป้งแต่งตัวเครื่องนุ่งห่มฟุ่มเฟยทําใจได้เอ้าไม่ได้สวยด้วยกายแต่สวยได้ใจนะสวยด้วยการปล่อยการวางไวไหมมันจะยากขึ้นเรื่อยๆไง อยากเราบอกเอ้ยไม่มีอะไรชีวิตเราก็มีความสุขได้ไม่จำเป็นต้องมีอ น, นั้นอันนี้เขาคนเน้นขึ้นมาเรื่องการรักษาศีลเห็นไหมไม่ให้นอนที่นอนอุจจาระไยนมหาไสยนาไ ส, สยะแปลว่านอนไม่นอนที่นอนที่สูงๆข้างในยัดนุ่นยัดหมอนที่อ่อนนุ่มอะไรต่างๆเนี่ยไหวไหมยังมาอยู่วัดเนี่ยเขาไม่ให้นอน <laughs> ไม่นอนก็นาวตายเลยเนาะต้องปูนั่นปูนีธรรมดา อุจจารยยนะมหาเสยนาะห้ามนอนที่นอนที่สูงที่นอนอ่อนนุ่มเป็นเหตให้เกิดการสัมผัสติดในการสัมผัสกับกายเนี่ยทานไอทิ้งออกไปแต่ถ้ามาใกล้ๆตัวเนี่ยเป็นอาการที่เอที่เราสัมผัสเราถือเนี่ยเครื่องสวยๆงามๆพวกนี้ยปล่อยวางได้ไม่เอายังไงก็ได้เนี่ยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆบางคนทําได้นะ พัฒนามาอีกบางคนเป็นเรื่องอะไรเนะี่ยพัฒนามาเป็นเรื่องเออลองขึ้นขั้นที่สามดูดิพุทธศาสนามีบันไดสามขั้น่จเจริญภาวนาดูดิภาวนาแปลว่าอะไรแปลว่าอบรมแปลว่าเฝ้าดูเราก็มาเฝ้าดูจิตเราดีทีเนี่นี่ยมันคิดรู้มันมันงุนหิดก็รู้มันมันเบื่อหน่ายก็รู้มันอบมันลมมันเฝ้าดูภาวนาแปลว่าเฝ้าดูแปลว่ากําหนดรู้ แปลว่าอบรมอบรมอบรมจนกระทั่งอารมณ์นั้นหลุดออกไปนู่นน่ะใจเราปกติมันว่างว่างแล้วกิเลสมันเข้ามาอยู่ในใจทีเราเอาไฟมาสุมมันด้วยไฟของพระเขาเรียกว่าตบับะบำเพ็ญตบับะบำเพ็ญบารมีเอามาสุมมันพอสุมมากเข้ามาเข้ามันก็กลายเป็นอนิจจังเป็นอนาาัตตาอารมณ์เนี่ยมันจะ ด, ดับไปเลยอ่ะมันจะว่างขึ้นมาใจเน่ย เห็นไห ม, ไมเวลาทําเยอะๆเดี๋ยวมันก็หายวับไปที่แรกนานนะ่ะความคิดวันหนึ่งร้อยเรื่องมาตัดได้ห้าเรื่องเหลือเก้าสิบห้าเรื่องวันต่อมาเอาฝึกตัดได้สิบเรื่องก็เหลือเก้าสิบเรื่องตัดได้ห้าสิบเรื่องก็เหลือห้าสิบเรื่องเห็นไหมแต่ก่อนมันก็ใหยาวความคิดแต่หนึ่งกะห่านาทีสิบนาทีเป็นชั่วโมงก็ตัดเข้ามาเหลือสามสิบนาทียี่สิบนาทีเหลือห้านาทีสองนาทีเนี่ย พอมันคิดปุ๊บหลับปุ๊บคิดปุ๊บด่าปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าแล้วเนี่ยเห็นไหมยิ่งมันเร็วเท่าไหร่หายวับไปเท่าไหร่อนาตาก็ยิ่งปรากฏเกิดขึ้นเร็วเท่านั้นลืมตา ก, กว้างๆนะโยมนะโยมทําไมง่วงเชงนี่นเนาะมันจะสอบตกนะนเนี่ยจะได้กลับบ้านเนี่ยตื่นมาแล้วมังงงม่ ง, ง่วงมั่เหงาเนี่ยเดีย๋ยวเขาจะประกาศรายชื่อนะักคนสอบตกเนี่ยวันที่สามเนี่ย ไม่ได้ประคับประคองเท่าไหรไ่เนีอันนี้ก็สอนเต็มที่บอกกล่าวก็เต็มที่ส่วนท่านจะตกจะได้เป็นเรื่องของท่านนะถ้ามันไม่เข้มแข็งเนี่มันอินรีมันไม่พอที่จะฝึกอันนี้คุณไปอยู่กับกิเลส ท, ทั้งโลกเถอะเนี่ยนะยิ่งที่จะเอามาเป็นพระนีย่ยิ่งต้องฝึกเยอะนะกว่าจะเป็นพระได้ไม่ใช่ไปหาเก็บตามตลาดมาเอามาบวชมาเมาอยู่ก็ามาเป็นพระให้คนกราบไม่เอาแน่นะ่น ของเอาจิงเอาจังนั้นที่นี่เขายึงมาเข้านาฝึกนาคให้ได้สติก่อนยังนู่นน้อยก็แก้ง่วงให้มันเป็นแก้เบื่อแก้ไหนแก้คำปรุงแต่งพวกนี้ได้ระดับหนึ่งรู้จักสมมติขึ้นมาบ้างรู้จักรูปนามค่อยบวชนั้นจิตมันก็จะจมอยู่นี่เรามาบำเพ็ญนะพระสงฆ์ขาเจ้าเนี่ยหรือนักบวชนักปฏิบัติธรรมเนี่ยคำมาบเพ็ญฐานะประมัตถบรมีปรมัตถเห็นไหม เป็นเรื่องข้างในล่ะฐานะปรมัาถบารมีเป็นเรื่องของอริยสัตจนะเนี่ยทุกข์มันเกิดขึ้นเห็นมันมาเรียนรู้ทุกข์สมุทัยสมุทัยเหตุเกิดทุกข์คืออะไรอะสมุทัยคือความไม่รู้แจ้งไม่รู้แจ้งมันจึงปรุงแต่งเป็นตัณหาเป็นสังขารขึ้นมาเราก็มาทําให้มันดับนะนี่ยเห็นปุ๊บดับปุ๊บเห็นปุ๊บดับปุ๊บนี่ยเห็นไหมนี่แหละบําเพ็ญบารมีล่ะ บางเป็นบารมีที่แท้ที่จริงก็คือการมาดับทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตเราเ้าเรียกว่ามาทำภาวนาทานศีลภาวนานี่ตัวภาวนาเนี่ยจะได้บุญสูงสุดพุทธศาสนาบอกได้บุญสูงสุดนะเนี่ยทานร้อยครั้งไม่เท่ากับการรักษาศีลครั้งหนึ่งรักษาศีลร้อยครั้งไม่เท่ากับการภาวนาครั้งหนึ่งเนี่ยเนี่ยเรามาทําภาวนานเนี่ย ประทศไทยนี่ดีมากทานก็ทำได้ศีลก็รักษาได้ภาวนาก็จะเกิดอันิสงส์เพราะมันมีโอกาสทั้งหมดทุกอย่างเลยเราถือว่าเป็นปฏิรู ป, ประเทศวาโสอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมคู่ควรกับการเกิดมาเป็นคนแล้วอยู่ในคนเมืองไทยเนี่ยโอ้ยยงภูมิใจเถอะมีความสะดวกทุกอย่างอะอิสระเสรีภาพแมการนับถือศาสนาดูดิเน้นไปที่ปัญญาเลย แล้วก็มาเฝ้าดูดิทีนี้เอา้าภาวนาเห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันดับไปเอา้าทุกข์เห็นไหมเห็นไม่ทุกข์เนี่ยทุกข์เห็นแล้วง่วงบ้างงูงหยินบ้างเบื่อบ้างทุกข์ก็คือการประคองจิตไม่ได้ทุกข์ก็คือมันเข้าไปในอารมณ์ทุกข์คือมันง่วงมันเงานะมันปรุงแต่งจิตไม่เข้มแข็งเพราะอะไรเพราะมันไม่เกิดการรู้แจ้งไม่รู้แจ้งเพราะอะไรเพราะไม่กําหนดรู้เนี่ยแล้วก็มาเฝ้าดูมันน่ ร่างกายนี่มันแก้ไม่ได้หรอกเนี่ยมันอ่อนเพียวมันเมื่อยมันก็เป็นแบบนีธรรมดาตาลืมตากว้างๆย้อมมองไกลๆนะมองไกลๆทําลูกตาโตๆใครจะเปลี่ยนลูกตาบ้างมีไหมเอาลูกตาหลวงพ่อจันทาเพิ่งตายไปเนี่ยเอามาใส่ให้เนี่ยมองไกลๆมือน่ะล้วงเข้าไปยิกตัวเองอยู่ข้างในนันะ่นน่ะบิดไปบิดมาบิดไปดม า, ดมาเดี๋ยมันก็หายเนี่ย อันนี้มันไม่รู้เลยมันแว บ, บลงไปมันก็ไม่รู้ได้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะสติมันไม่มีไงเริ่มตายค้างๆมองไกลๆหลวงพ่อสั่งเอามันออกไปอาบน้ำเลยนะผู้ใดง่วงเนี่ยนี่ตีห้าครึ่งนะเนี่ยมันอากาศหน่จาจะประมาณสักสิบห้าองศาเนี่ยข้างนอกก็สิบสามสิบห้านี่แหละน้อยสกครกมันจะลดลงลดลงนะปกติเหลืออยู่ประมาณสักสามองศา หองศาเนี่ยอยากให้หนาวๆมากๆนเนี่ยคนมันจะไม่มาเราก็สบายไปนะมันก็จะมาแต่พวกที่เก่งๆเนะี่ยพวกงโง่ๆนี่มันก็กลับหมดแล้วเนี่ยว้อยู่ไปได้ดอกล่องตางโอ้ยตายครักคพับนะข้างก็สั้นกะงะง็เ ง, งอะงบนะยู่ไปได้ดอกว่ลูกกระซังหนูนี้พ่าดไปเลยไปกส็สร้างหนูจิ้มเมื่อแล้วโอ้ยเสื้อในทอนอยังสบายยาก มันนั่งลับจะน้อยใสๆมาแบบอยากกินเข่าเลยได้หนี่จิตมันนนะ่ะเมื่อใดเจ้าสิใดกินนาะมีคนมามันอยู่แค่นั้นนี่ยจิตมนุษย์มีแค่นั้นโง่โงมันจะมีอะไรฉัน้นอุตส่าห์นะมาแล้วเนี่ยตั้งใจตั้งสติดีๆเนี่ยตั้งสติดีๆตั้งใจดีๆทําให้ได้ภาวนาเนี่ยเฝ้าดูตัวเองให้ได้การภาวนาก็คือการมาเรียนรู้เรื่อง สภาพทำภายในนั่นแหละเรื่องทุกข์มาเฝ้าดูมันนี่เอ๊ะมันทุกข์มันเกิดจากอะไรเนี่ยใจดีๆอยู่ไอ้ทาไมมันหายไปนะลงตานั่งเขียนหนังสือเมื่อเช้าเนี่ยเขียนเรื่องว่าลงตานเรื่องเขียนเรื่องยายหมานเขายังไม่ไปนะแต่ลงตาเขียนว่ายายหมานแล้ว เ, เขียนต่อไปว่ายายหมานจุดจุดจุดเมื่อคุณยายหายไปเรื่องมั น, นะนะ เห็นว่าลุงตาเกี่ยวข้องกับเขายัางไรเขามาเกี่ยวข้องกับลุงตาเกี่ยวกับวัดนี้อย่างไรอย่างไงเขียนเอาไว้อ่านหน้าศพแต่เขาสุขภาพตีนะยังหัวเราะยิ่งเยี่ยเจิบใส่เนี่ยขนาดลุงตาทําเยอะขนาดนี้งานยังคิดว่า อ, อยังไม่ได้ทํางานอะไรเลยยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยคนเนี่ย พันตั้งใจนะย่าโยมทำให้มันตื่นตัวขึ้นตีห้าแล้วเนี่ยตีห้าแล้วตีห้าแล้วตีห้าครึ่งแล้วเนี่ยจะาหกโมงแล้วมองไกลๆสรา้างจังหวะดีๆเลยนี่ิขี่ข้านบิดแก้มมันวุ่นเรื่องเอาน้าลายท่าถ้าเอาน้ําลายทาตานี่สว่างขึ้นทันทีเฮ้ยท่าตากูสูนขึ้นทันทีเลยได้เนี่มันงอขึ้นอย่างนี้ได้มนุษย์ เลื่อมตากว้างๆมองไกลๆพระบังองทนหนาวไม่ได้นะนะไปซื้อขางกางเกงมาสวมเข้าไปหรอเหมือนแขนเสื้อน่ะนะดูดิเนี่ยเขาห้ามนุ่งกางเกงก็ไม่เป็นไรนุ่งแต่ขามันโง่นะหือทนหนาวไม่ได้ไงก็ต้องไหลาตามกระแสที่แรกลงตาไปเห็นของโยมเนาะเขามีแค่นี้เนาะลงตาเพิ่งเห็นเฮ้ย แขนมันเขาก็ขายเหรอเพิ่เ่งเห็นว่าเขาขายเสื้อก็มีขายแค่แขนมันทุกทุกมีไม่ขายตัวมันเนาะปลาก็ะบาด น, นอกนะไม่เคยเห็นนะ่ะบวชตั้งแต่ตีนเท่าฟ้าห้อยนั่นนะ่ะเราไปเห็นแต่เขาอะไรนะเสื้อยกนมเหรอนะเสื้อเสื้อยกนมนี่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เขาขายแต่เต้ามันเขาไม่ขายเสื้อห้อยในนี้เนาะใช่ไหม ไอสายที่สะพายเนี่ยเขาไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้หรือ ม, มีมีตั้งนานหลวงตา ก, ก็ไม่รู้นะแต่เห็นว่าเขาขายแต่แ อ, น, อนที่นี่ก็มีเนาะว่าอันจุ๊บใสนน่เนี่ยแล้วก็ขายแขนมันเสื้อก็อันนี้ก็ขายขามันพระบางวงก็ไปซื้อขามันมาใส่หลวงตาว่าจะซื้อไม่หลวงพูดสังอยู่อยากได้กระบอกเป็นเหล็กนะเว่ามันมีหมดนเะดีย๋ยวนี้เขาขายอันะไรเล็กๆน้อยพระสงฆ์ก็เลี่ยงวินัยไว้ซะ ไม่ได้ซื้อกางเกงมาใส่หรอกเอาขามันมาใส่มสันสวมใส่หมวกก็ใส่ น, น, นะบางทีเสื้อก็ไปซื้อเสือ้อสีแบบผ้าแบบนี้มาใส่นี่ลุงปู่สั่งวันก่อนก็ร้องไห้อยากได้เสือ้อผมันอยากได้เสื้อนะมั้าเจ้าบ่จะจะเป็นผ้าตีลงตาบอ้องเบิ่งเลยแม่เอาไปตัดเลยผมเนี่ยเอาจีเอาผ้าผ้าอะไรผ้าแบบขนหนูเนะ่ย อยากได้เสื้อนุ่งหนาวนี่เพื่อนมามั่วให้นุงบระยูน้าก็ได้เด้อเพื่อนมาอยู่เอ้ามาแอวกูระบาดเนี่ยว่าแอวก็มีนะแปดสิบห้าเราก็ยังแอวอยู่ท่านก็อยากได้ท่านหนาวลงตาเอาผ้าห่มเลยลงผ้าห่มเอาผ้่มมาตู้มอาไว้สิละเอาผ้าห่มมาผ้าพื้นใหญ่ๆนะลงตาก็ะไฮอยู่เด้อใส่เสื้อเสื้อนี่นะเสื้อกัก เสือ้อ ก, กับว่ามีแขนหนึ่งมันมีตัวเดียวมันมีแขนเดียวอยากได้สองแขนโอ้ยลูกเถ่ากูนี่ก็เลี้ยงยากเนาะว่ามันเอวนะมันทุกไงหนาวมัทุกหัวก็มีมผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> อืมก็อยากได้ผมอีกโอ้จะทายังไงเนาะเนี่ยใส่หมวกไม่ได้ตีทำวัดเนาะนใส่ช่างแต่เห็นว่า สมมุติว่าเป็นพระแล้วก็จะมาใส่อะไรอีกเนี่ยเอาผ้าคุมเอาได้ไหมมั้งเวลาทําวัดนะท่านหลวงทาอย่างนี้ได้ไหมโอ้ยทํานี้มันก็เหมือนนั้นน่ะเนาะพีศาสนี่พ <c oughs> <c oughs> อใส่เข้าไปในนี้แล้วเพิ่มันก็คุมลงไปก็มืดก็วิโยกออกไปได้บ่ยี่เนี่ย <c oughs> สางจังหวะทางในพี่ได้บ่ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวมันก็เสียงพีดพีดเลยไปละนี่ มันก็จะไปเรื่อยๆนะกิเลสมันจะไปเรื่อยๆทีเล็กละน้อยละ น, น้อยเนี่ยโอ้ยแหละเอยว่าเอาออกมาทั้งหนอกพิละส่างจังหวะซะมองไปไกลๆสิอดทดเนเอาเหตุใดเขาเกิดมาอาภัพเป็นลูกปพุติเจ้าถ้าลูกปพุติเจ้ากัานพาทำเมตตทําสู้ตายอย่างเงี้ยพอได้ผ้าพันคอมีไหมนะผ้าพันคอคอหนาวคอวยิ่งหมอเขามาพูดยิ่งเสร็จเลยนะเนี่ย หมอบอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ต้องหอมตรงนี้มันคอเนี่ยมันจะเย็นอย่างนั้นหามาใส่หลวงผู้สั่งท่านก็จะไปซื้อมาวันก่อนคุณสุเมศนะนักนังสืพีมาปฏิบัติธรรมมาตัวเม็ดวันหลวงปู่อาการแบบนี้จะ ต, ต้องกินกล้วยดิบนะลงไปหลวงปู่ไปฟันกินกล้วยดิบมอดไปเครือหนึ่งเลยเอา้าหมดแลย่า <laughs> มาพูดเรื่องกินให้ได้ยินว่ะหลวตาว่าไอ้หลวงปู่ทําอะไรเนี่ยกินกล้วยตั้งแต่เช้าหนอตีห้าหนอน ถ้าไม่กินหมอเขาว่ามันเป็นยานะว่าให้ไม่ได้นะกินหมดเนี่ยแล้วบอกหลวงปู่ถ้ากินต้นเสาสลาได้นะโห้สุขภาพจะดีนะ่าจแย่เลยนะเนี่ยถ้ามาพูดให้ฟังเว้เนี่ยเพราะไม่รู้อริยสัจถ้าเรารู้อริยสัจก็เออธรรมชาติธรรมดาเนี่ยเราาเฝ้าดูมันเนี่ยเนาะมองไกลๆนะโยมมองไกลๆหายใจยาวๆหายใจลึกๆเนี่ยสูดอารมหายใจหมาเข้าไป มันไม่ใช่ของวิเศษอะไรนะเนี่ยลมหายใจเนี่ยลมหายใจคนนั่นบงังของคนนี้บ้างเราว่ากูคือกูกูเป็นผู้วิเศษกูเป็นสมมุติอันนั้นแต่ความเป็นจริงก็คืออยู่ด้วยธรรมชาติแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรเป็นของเราสักอันเลยเนี่ยยืมเข้ามาทั้งหมดเลยลมหายใจในบางทีก็ได้มาจากต้นไม้ตอนกลางคืนแบบนี้เนี่ยได้คาร์โบไฮเดตนะรตกลางวันถึงจะได้ออกซิเจนไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตนะคาร์บอนเนาะ อ๋อมันไม่ถนัดภาษาคาบนไดออกไซด์ลืมท่ากว้างๆนะมองไกลๆหลับอยู่พ่อปนันสิว่าได้ยัง้งเขาจะกำตดเสดังเจ้าละมองไกลๆหาย ใ, หใจลึกๆทุบขาแรงๆยกมือซึ่งสูงอย่างนี้เนี่ยนี่นี่เหมือนคนนี่เขาตั้งเขาขึ้นนี่เนี่ยเขาเรขาตั้งสู้แล้วเนี่ยใช้วิชาเฉินหลงแล้วเนี่ย เขาไม่ยอมไงเขาฝึกเขาฝืนเนี่ยมาค้ น, คนผลรับลงเลยรับลงเลยอ่อนลงเลยอ่อนลงเลยปานจีกระตืบบ่มี่กระดูกกระเดี่ยวอยีหยงอ่อนลงอ่อนลงนะดูหลวงปู่สังเป็นตัวอย่างดิ่นี่เข้มแข็งยงมเพิ่นสดใสเนี่ยถ้าท่านไม่ง่วงดูแล้วจะรู้สึกว่าแอบเบลนะพระแกะแก่เท่าๆเนี่ยต้องไปอยู่สายหลับตา นะยโยมมองห้องขังเนาะนังสมรีิได้ตลอดเนาะไมแล้วท่านจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยดูบางวันมันจะลงมาเนี่ยนจะไม่ถึงพื้นสักทีหรอกลูกตา ก, ก็ดูอยู่โอ้ยนดีดปึ้งึ้นมาเหมือนเดิมสร้างจังหวะต่อได้แต่มันก็โน้มลงไปได้โอ้มีศิลปะลูกสาวท่านมาบวช ด, ด้วยเนี่ยเป็นแม่ชีอยู่ข้างล่างไม่เห็นหลวงพ่อ เอ็นลงเอ็นลงลูกสาวเด้อมันหลุดคำพูดออมนะันโอ้ยพ่อพมันจืดพื้นนะกลัวหัวใจพองพื้นนะโอ้ยขึ้นมากเหมือนเดิมกูเสียบซื้อโบได้รับเด้ไม่ได้หลับนะแต่ไม่ได้หลับแบบนั้นไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะคือหมายว่ามันไม่รู้ซึง้งไม่รู้ตัวทั่วพร้อมไงมันไม่เห็นก่อนมันจะมาไงมันก็ประคองได้อยู่แต่เขาไม่ให้รู้แบบนั้นเนี่ยรู้สึกตัวทั่วพร้อม รู้ตื่นเบิกบานขึ้นไปไเรื่อยๆนุนอะอันเนี้ยให้มันสดใสอยู่ภายในน่อไม่ใช่ว่าเอาแบบเลยสลึมสลือออกมานิดเดียวเองไม่ใช่นะเอาจนมันตื่นนุน่ะถ้างั้นมันก็ไม่เห็นแล้วเนี่ยเหตุเกิดทุกข์มันมาจากไหนเนี่ยเรามาเฝ้าดูเนี่ยเนี่ยเรียกว่าภาวนามาเฝ้าดูเอา้าง่วงมาแล้วเบื่อมาแล้วขี้เกียจมาแล้วเห็นมันนะ่ะเนี่ยมันคิดแล้วมันพอใจแล้ว เดี๋ยวมันไม่พอใจแล้วถ้าคนไหนเอาความพอใจไม่พอใจออกได้แบบถาวรเลยเนี่ยปกติเลยเขาเรียก ว, วนน่านิพานวินัยโลเกอพิชาโทมันัตังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เรียกว่ากายานุปัสนาสติปฐานการรู้กายเนี่ยรู้กายเห็นกายในกายก็คือเราปฏิบัติจนกระทั่งว่าเอาความพอใจและความไม่พอใจ ออกไปจากจิตเสียเมื่อนั้นแหละเรียกว่าเราเข้าถึงการรู้กายรู้กายหนึ่งทั้งว่ารู้กายไม่ใช่กายกูนะกายก็คือกายอัธิกายโยติวาปนัสสะสติปจุ ป, ปฏิตาโหติก็แหละสติคือความระลึกว่ากายนี้มีอยู่ดังนี้ของเธอนั้นเป็นสติอันนี้ถือว่าเป็นสตินะที่เธอดำรงไว้เพียงเพื่อรู้ ปิติสติมตายยายะวเทวะยานมตตายะเพียงเพื่อรู้ปิติสติมตายยเพียงเพื่ออาศัยระลึกอั น, นิีสิโตจะวิหระรติไม่มีความคิดไม่มีความห่วงความเหงามาอาศัยจิตนี้เกิดอีกแล้วเนี่ยจิตมันว่า ง, างถ้ามันว่างแบบถาวรเขาเรียกว่นนานี้ผ่านเนี่ยภาษาพระก็มีอยู่แค่เนี้ยในความหมายอ่ะ เนี่ยเรามาเอาความพอใจและความไม่พอใจออกมันเริ่มพอใจพอใจในพอใจในอารมณ์เนี่ยเนี่ยแต่ก่อนพอใจในบุคคลแต่พอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเหลืออารมณ์บุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องไงดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาเฝ้าดูแบบนี้มาบาวนาแบบนี้นี่คือการมาดูที่เหตุของทุกข์เลยเห็นทุกข์ทุกข์ไหมทุกข์เกิดละตอนนี้ไม่ทุกข์ว่างๆสบายๆแต่มันจะทุกข์เพราะอะไรเพราะมันมีอวิชชาไว้ใจไม่ได้อะเ น, นี่ย คือมันยังไม่รู้แจ้งพอไม่รู้แจ้งเดี๋ยวมันก็เกิดอีกเนี่ยไอ้ง่วงเหงาตอนนี้มีไหมไม่มีอ่ะมันนอนอีเต็มอิ่มแล้วแต่พอมันมันง่วงง่ ง, งซึมซๆมซำเานี่เราแก้ไม่เป็นเวลามันทุกเนี่ยแก้ไม่เป็นเวลาเราไม่โกรธใครก็รู้สึกไม่มีอะไรเฉยเฉอยู่แต่เวลามันโกรธขึ้นมาเนี่ยเราเอาไม่อยู่เราทําไม่เป็นนี่เขาเรียกว่ามันยังไม่รู้แจ้งทําให้มันรู้แจ้งซะเวลามันออกไปแล้วมันจะสบายเขาบอกว่าคนเรานี่เหมือนเป็นฝี่ เป็นฝีทำไมจะเอาฝีออกได้ต้องคํำหาตรงไหนที่มันเจ็บลูกไปเรื่อยๆตรงไหนเป็นแผลเป็นสีฝีเป็นสิวเนี่ยเอาให้ได้หาเอาทำให้มันออกดิทาไงรถตาเห็นโยมคนหนึ่งมาปฏิบัติทำนะวันหนึ่งก็เห็นตัดพาสเตอร์น้อยเหรอแปะตรง น, นั่นเด๋กเขแปะตรง น, นี้แปะตรง้นวันหนึ่งมีสองสา ม, มันนะ่ะรถตาเลยไปดึงเอาหนามไหว เอาหนามหวายมาลงตาม า, านี่ลงตาจะบอกวิธีให้มันไม่ยากเอานามหวายเนี่ยแทงก็ไปเข็มก็ได้ที่มันสะอาดลนไฟหน่ะเสียบจุบ๊บก็ไปแล้วหมุนๆตรงหัวมันมน่นนนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นอาจารย์หมอเขาบอกใช้ปากากดแล้มันจะเด้งออกมาเลยถ้ามั้นก็เป็นหนองเป็นอะไรอยู่แล้วก็มีแต่พาสเตอร์ติดเต็มไปหมดนะอย่าไปทนุถนอมมาเลยเขี่ยปุ๊บหรือเสียบปุ๊บมันจะออกไปเลยประมาณนั้นบอกวิธีให้เนะ ก็จะง่ายเอา้าทําไม่เป็นทําเป็นเดี๋ยวดูต่อไปแล้วเขาเล่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช้ระบบสามง่ายมมาทูดที่เขาเขี่ยศบน่ะเสียบเข้าไปเนาะทั้งๆมันก็ไม่ออกเนาะเห็นไหมเวลาไปเดินห้างเนี่ยสาวห้างไม่มีอะไรหรอกเอาแว่นน้อยมาส่องแล้วก็บีบไส้บีบขวาอยู่นั่นแหละทานั่นทานี่อยู่ติดความสวยความงามติดรูปติดร่าง เขาว่ากายนี้เป็นศักแต่ว่ากายอย่าให้มันมีความพอใจและความไม่พอใจอยู่ในมันดูมันเฉยเฉยเนี่ยแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าทุกข์โอ้ทุกข์นี่เกิดจากความพอใจในกายนี้นะเนี่ยเกิดจากความไม่พอใจในกายนี้นะเนี่ยเกิดจากการยึดติดนะเนี่ยเวลามราเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันนะ่ะนะเราเฉยกับมันได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เราติดมันนะ่ะนี่เขาให้ดูมันเฉยเฉยดูดิดูมันเฉย เมื่อวานนะเอาญาติโยมที่เป็นมะเร็งเนี่ยไปหาหมอหมอเซนาลักษ์เก่าหมอคอมนิดนะเขาบอกว่ามีตัวยาฉีดเป็นโรคมะเรนะ็งเนี่ยโรคตับโรคตาเหลืองเนี่ยแต่เพื่อนมาไปหาเขาแล้วที่หนองคายปรากฏว่าไม่ได้ยาเขาหมด <c oughs> โอ้มันถึงเวลาตายจริงๆแล้วเนี่ยก็เลยว่าทำยังไงจะได้เขาบอกว่า มีอยู่ที่ร้านเวียงทองประเทศไทยไม่มียาอันนี้ชื่อยาซิริบา้าที่ล้านเวียงทองรู้แต่ว่าอยู่ที่ไหนจะรีบไปซื้ออยู่ใจกลางกรุงเวียงจันทร์นั่นกูจะเข้าไปได้เลยเนี่ยเข้าไปแล้วมันจะไม่ออกมาไม่ได้ก็เลยพอดีค้นกับหมอเขา หมอที่ประเทศลาวเขามาเรียนมาเรียนหมอะเขามาเรียนหมอที่มาอลไรขอนแก่นคุณหมอทองพูลนะผู้เรียนจบไปนี่เป็นหมอใหญ่โตเป็นผ อ, อ, อเป็นไงเนี่ยโทรบอกเขาซื้อยานี่ฝากไว้หน่อยดีก็บอกหมอแม่มเขาบอกว่ารู้จักดีร้านอันเนี้ที่เวียงจันทร์เขาขายอยู่ที่เวียงจันทรนะ์ทีนี้ก็ไปบอกคนไข้ว่าไม่มีปัญหานะ เราสั่งยามาแล้วจากประเทศลาวรู้ทำไมจะไปพูดแบบนี้นะะมันเหมือนไม่มีดีกรีบอกว่าสั่งยามาจากนอกก็พอหายแน่นอนเนะี่ยได้ยามาจากนอกแต่จะไปพูดลาวนะมันเหมือนยาต้มคนมันมีอุปทานไงอะไรก็มีอุปทานอุปทานเนี่ยมันมีปัญหาทุกอย่างแล้วนะเหมือนกันนะถ้าธรรมะ ฝรั่งมาเทศเนี่ยว้าอยากไปฟังจังนะเราเนี่ยแต่ทพะไทยเทศรู้เรื่องกั น, นไม่ฟังเพงลงฝรั่งก็เหมือนกันชอบนะฮะอย่าไปใส่ใจเรื่องไห น, นธรรมะแท้เนี่ยดูที่ใจเราที่เรามาเฝ้าดูอาขึ้นบทของธรรมะขุณนะสว่าขาโตพระกตาธรรมโมสว่าขาโตพระกตาธรรมโม ทำคำสังสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสันทิฏโกคุณต้องรู้เองเห็นเองสันทิฏโกต้องเห็นเองอากาลิโกเห็นแจมแจ้งอยู่แบบนั้นไม่เลือกการเวลาอยู่เหนือการเวลาพอรู้แจ้งเห็นไหมบางวันเวลาเราเข้าถึงธรรมะแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ทำไมเวลามันเขําเร็วจังอ่ะทำไมมันมืดเร็วจัง ทำไมตีละครังเร็วจังจิตมันเริ่มอยู่เหนือการเวลางมันไม่ผูกมัดแต่ถ้าเราห่วงไปแล้วเมื่อไหร่จะตีละครังมันทุกเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากาลิโกอกาลิโกนี่อยู่เหนือการเวลามันไม่ทุกข์กับเวลานะเวลานาทีไม่มีผลนะ่ะเย็นไหมเ้าเรามาปฏิบัติธรรมถามว่าวันนี้วันอะไรบางคนที่มันคิดจะกลับอยู่แล้วมันตอบทันทีเลยะวันอาทิตย์วันอาทิตย์แล้วเหลือสามวันเนี่ยอืแต่แต่คนเนาะเฮ้ย ไม่รู้เรื่องหรอกลงตาไม่รู้วันเวลาอะไรทํากว่าทำไปเรื่อยๆนะไม่ได้คิดใส่ใจไม่นี่ยมันเริ่มอยู่เหนือการเวลาแล้วมันไม่สนใจงไงแต่ถ้าคนมีการมีงานนะบีบคัดคันมันบีบรัดเนี่ยตายเลยนะทุกติดอยู่กับการเวลาวันนี้คูจะไปเรียนวันนี้คูจะไปสอนวันนี้คูจะทํางานอันนั้นนี่มันผูกมัดอยู่กับการเวลาจิตเนี่ยมันต้องอยู่เหนือการเวลาจําได้ จำได้นะสัญญามีความจำเนี่ยจำได้อยู่ว่าเวันวันอะไรแต่ไม่ค่อยได้ติดกับการเวลาไม่ได้ใส่ใจเช้าเย็นทันไหนทําอะไรก็ทํารู้สึกตัวไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆอยู่กับปัจจุบันขณะเนี้ยเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับการเวลานะีอยู่เหนือการเวลาข้ามจากความติดอยู่ในการเป็นอาการเอหิปัสซิโกเอหิปัสซิโกนสภาวะอันนี่มันเกิด ถ้ามันถ้ารู้อะไรแล้วเนี่ยตันี่นะสมมติว่าเราไปนะเราได้ทองคําเนี่ยมีเพชรมีทองเรื่มตาโยบเรืมตามองไกลๆหลับได้หลับดีนะนี่เนาะเวลาด่านี่จะด่าหลับไหมเนาะเนาะมองไกลๆเอฮิปัสิโกเนี่ยสมมติเราได้ทองคองําได้เพชรได้พลอยหรือเราไปได้ของดีๆเนี่ยเราจะไม่อยากให้คนแปลกนะ มีไม่ไปหาเงินได้ดีๆแล้วอยากชวนคนไปหาเงินเนี่ยไม่มีอย่างมากก็เอาพี่เอาน้องตัวเองไปนอกนั้นไม่เอาอ่ะแต่ถ้าเป็นธรรมะเนี่ยเอหิปัสสิโกพอเข้าใจเห็นธรรมแลนะ้วนั้นอยากชวนคนใครก็ตามนะคนที่เรารักก็ตามคนชังก็ทาแล้วอยากให้เขาเห็นธรรมะเนี่ยเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่อยากชวนคนอื่นมาดูอยากมาศึกษาศึกษาอะไศึกษาใจตัวเองมาเบิ้องดูนี่ดูใจตัวเองนี่ยมันไม่ทุกข์นะถ้าเห็นในนี้เนี่ย ไอ้ปฏิสิทิ์กโอปฏิณญาโกน้อมก็มาใส่ตัวอะไรเกิดขึ้นก็ตามเป็นโอปฏิญโก้หมอะไรเกิดขึ้นก็โออเท่านั้นแหละมีอะไรเดี๋ยวก็ตายแล้วนะไปโกรธทําไมไปเกลียดทําไมะเราก็เราก็เป็นกิเลสเหมือนกันน่ะะเราก็มีความรักมีความชังมีงหงุดหงิดมีอึดดมีขัดมีเครื่องเขามีตายเราก็ตายเขามีเบื่อเราก็มีเบื่อนะเขามีโกรธเราก็มีโกรธมีโลภมีหลงมีเหมือนกันหมดน่ะแล้วเราจะไปมีอารมณ์โลภโกรธหลงทําไมเนี่ย มันจะโอโปัญญโกฏจักรตังนะสภาวะนี้รู้แจ้งได้เฉพาะตนปัจจิตตังเนี่ยเห็นได้เฉพาะตนนะเนี่ยเป็นของที่เกิดขึ้นใครทําคนนั้นเจอทันเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเรามาเฝ้าดูปุ๊บเนี่ยมันเป็นสว่าขาดธรรมตันดีเลยนะสว่าขาดธรรมปรากฏขึ้นตันดีเอาเฝ้าดูเห็นเห็นไหมโกรธก็เห็นโกรธงุงิดก็เห็นงุงิด เบื่อก็อเห็นเบื่อว่างก็เห็นว่างเดี๋ยวนี้ถ้าเราไล่ความเบื่อออกความว่างก็จะปรากฏไล่ความคิด อ, ออกความไม่คิดก็จะปรากฏคลายความง่วงออกความไม่ง่วงก็จะปรากฏเกิดขึ้นทันีนะเรียกว่าเอหิปัสสิโกเป็นปัจจิตังขึ้นมาทัีเป็นปัจจิตังเป็นสันทิติโกทีนี้เขาวัดสภาวธรรมมาเนี่ยตรงที่ในเบื้องต้นเนี่ยสันทิติโกเนี่ยสันทิติโก ต้องเป็นภาวะที่รู้แจ้งขึ้นมาก่อนยกมือสร้างจะวะและลึกรู้ที่แรกก็เห็นง่วงเห็นเงาเห็นเบื่อนี่แหละแต่ว่ามันยังไม่สามารถที่จะเป็นวินเนยโรเกพิชาโทมนัสสังนําความพอใจและความไม่พอใจุทีเดียวเนี่ยมันไม่เห็นตรงนั้นทีนี้มาปฏิบัติธรรมจะทําให้มันเห็นในนั้นเดี๋ยเนี่ยทํำจนทั้งมันเห็นไม่มีเห็นก็ดูใหม่อย่างเช่นเราเมากายเนี่ยเราติดอยู่กับกายเจ็บกายก็เมากับร่างกายสังขาร โขมัดอยู่อยเนี้ยมันไม่เห็นว่ากายนี้เป็นกายแต่มันเป็นกายกูกูเจ็บกูปวดกูเมื่อยแต่มันเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกําลังเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดมันไม่ได้เป็นประเด็นนั้นน่ะทินเรามาเฝ้าดูมันเอาทุกเนี่ยรวมเรียกว่าทุกนั่งก็ทุกต้องขยับละเห็นไหมเริ่มปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าที่คุณขยับไปขยับมาไม่ใช่อิสระเลยที่คุณขยับนี่เพราะคุณแก้ทุก ที่คุณต้องไปกินข้าวเพราะอะไรคุณก็แก้ทุกข์ที่คุณหายใจคุณก็แก้ทุกข์ถ้า่หายใจเข้าไม่หายใจออกคุณก็ตายแล้วนะที่กระพริบตาลืมตาเนเพราะอะไรคุณแก้ทุกข์นะถ้าหลับตาลงไม่กระพริบตาขึ้นเนี่ยไม่ลืมตาขึ้นก็ตายนะนะอืดาดลองดูดิตาบอดสักห้าปีเนี่ยนั่งไปนานๆนต้องขยับขาเพราะอะไรมันทุกข์ไงต้องไปแปรงฟันแล้วนั่งไปนานๆเบือ่อต้องไปนอนละนอนเพราะอะไรมันแก้ทุกข์ นอนไปสน ก, ก็ทุกมาต้นลูกไปเดินไปเดินมาเห็นไหมเนี่ยมีอิสระที่ไหนชีวิตเนี่ยมันทุกข์ตลอดแล้วคุณทําไมไม่เห็นทุกข์ลืมตายโยมมองไกล้ใกล้สร้างจัว่ามองไกล้อายพระบางดีมามองไกล้ะมองไกล้ ๆ, ๆ, ๆเนี่ยปากไม่แปลงฟันก็เหมือนกันเนี่ม่นเนีเวลาไปสอบปรมโต้ดินห่างๆนะวันหนึ่งพ่อไม่ได้พูดกับใครเวลาพูดออกมาซ้าเข้ากับระเบิดออกระเบิด ต้องอยู่ใกล้ๆนะมันยากเพราะมนุษย์เนี่ยมีแบบนี้ตลอดเลยแต่คนก็อย่างว่าต้องกลบเกลื่อนเอาน้ําอบมาฉีดน้ําหอมมาฉีดอะไรประมาณนะั้นนะขาใกล้ๆไม่ได้พูดอ้าขึ้นแต่พูดแต่และคำนี่โอ้ยรันกับโกโก้กับไปนะชีวิตก็เป็นแบบนี้มันเสื่อมอยู่ธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่เรามาพอใจกับมันเนี่ยร่างกายสังขารเนี่ยนั้นทํำยังไงเราจึงจะมีสมาธิในการดูและเห็นความจริงของสัจธรรมนเนี้ต้องตรงเลย ไม่ใช่เห็นเหมือนท่านพูดให้ฟังก็รู้สึกเออเห็นตามท่านหน่อยหนึ่งแล้วก็ดับไปก็เหมือนเดิมพอใจเหมือนเดิมไม่พอใจเหมือนเดิมมันก็ติดอยู่ในใจเนี่ยนี่ปฏิบัติธรรมนี่จะเอาเอาจนความพอใจและความไม่พอใจออกไปเหลือแต่ความว่างเปล่าความว่างเปล่าว่างเปล่าที่เกิดจากวิปัสสนาญาณเนี่ยนะนั้นก็คือเราเห็นทุกข์แล้วเราก็ไม่เอาทุกข์ทุกข์มันเกิดไม่เอาแล้วไม่เอาก็มาแล้วกูเบื่อสังขารเหลือเกินเนี่ สังขารู้เปยขายยา่กูเบื่อหน่ายต่อสังขารกูเฉยกับสังขารนี่เป็นละเฉยกับมันละเฉยเนี่ยเอาดูมันเฉยง่วงก็เห็นเฉยแล้วดับไปแต่ก่อนเนี่ยเวลามันง่วงเราก็กระทืบตีนนะกระทืบกระทืบทืบให้ความง่วงออกไปอ่ะเรายังใช้โทสะช่วยมันอยู่นะแต่พอจังหวะหนึ่งเนี่มันหายไปเองโดยธรรมชาติเอ้าง่วงมากก็หายเป็นเบื่อมากก็หายเป็นดูมันเกิดมันดับเฉยแต่ก่อนมันเกิดแล้วมันตั้งอยู่นานแต่นี้มันก็เกิด ดับเร็วขึ้นคิดปุ๊บดับปุ๊บคิดปุ๊บดับปุ๊บคิดปุ๊บดับปุ๊บิดป๊บดับปุ๊ห่วงมาห่วงปุ๊บดับปุ๊บห่วงปุ๊บดับปุ๊บเนี่ยทําให้ไม่ได้แบบนั้นน่ะอ้ายังเหลืออยู่กี่ศพเนี่ยสายแล้วนี่จะหกโมงแล้วเนี่ยยังสลึมสลืออยู่จะให้หลวงปู่สังจูงไปไว้ที่เมนนะเนี่ยเอาไปมัดไว้เสาร่วงศพเนี่ยก็เฝ้ามาด้วยหลวงปู่เด้อแซ่บกระโดด อร่อยเหาะเนี่ยมันง่วงมันอร่อยที่ไหนเนี่ยมันเสียเวลาและเสีเวลาจะไปนิพพานเนี่ยจะมามัวง่วงเหงาของนอนอยังไงเมื่อเราเดินทางเนี่ยเวแต่ข้างทางเวะแต่ข้างทางอย่างนั้นเนี่ยรถแฉลบลงอยู่เรื่อยรีบออกมาแล้วรีบเดินไปข้างหน้าเนี่ยเป็นผู้เดินอยู่ในมัคคามัคคาวิถีมัคค่าวิถีวิถีพุท ธ, ธเนี่ยไปทางนี้ไปทางรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเอา้าเฝ้าดูหรือยังเนี่ย เห็นเห็นความม่วงละเห็นความเหงาล้วอีกสักหน่อยก็จะกินแล้วเนี่ยไม่ได้กินก็ทุกงุงหงิดมันไปติดนะเอ้ติดรสติดชาตอันนั้นน่าจะอร่อยอันนี้ไม่อร่อยบางคนช่างหัวมันเถอะอร่อยไม่อร่อ ย, ออยกูก็กินพออยู่ได้ประมานะบางคนกินพรหิวนะนะแต่ น, นี้ไม่ได้กินเพราะหิวไม่ได้กินเพราะอร่อยแต่กินสักแต่ว่านะเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อจะมาประพฤติพรหมจรรย์ให้มันรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ย เพราะนั้นเองนั้นเราก็ไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องการกินการอยู่ที่นี่จะไม่มีการประเมินนะประเมินความพึงพอใจสํานักวัดสมนั้ดอาหารเป็นยังไงบ้างช่างหัวมันนะที่เนี้ยไม่มีประเมินว่าอร่อยหรือไม่ไม่นะอาหารนะ่ากินไหมผ้าห่มเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ไม่พอใจก็ช่างหัวมันนะเนี่ยไม่ประเมินนะเนี้ยหนาวก็สร้างมั่งแล้วเขโาโอท้อนเราหรอเนาะปฏิบัติถรำไหม ก็อยู่ได้ก็โยประมาณนั้นแหะไม่ได้ให้สร้างความพึงพอใจให้กับใครเนี่ยเอาพ่ออยู่ได้นิ่งนะห้องน้ํำมองท่าเป็นยังไงบ้างวิทยากรเทศดีไหมบอแหลวจะมาประเมินทําไมวิทยากรเนาะดีจ้ไหนด่ากูกูหมื่นแม่นอนกูบริมีความสุขไดีดีไหมนั่งรับจะซื้อย่งท่วงหรือไงวันนี้มาเอาเซียนว่าวเจ้าไหนเสนอนั่งรับดีๆนะจ๊ะ หลับไม่สบายนะจ๊ะอย่าโยมนะลงตาบวา ว, าวแบบนั้นสิตายตินอนปรหารสแตกอย่างป่านนี้มือยังบอกอยู่สิมา้อเพอๆพพวันหวานมันจะออก เ, อกกเรื่องกิเลสเนี่ยมันไม่สะเทือนนะเรื่มตากงกว่างสิมาเอาตัวอย่างพระมุนีตีนะเรื่มตากงว่างนะตั้งใจดีดี แล้วก็มาเฝ้าดูความจริงของชีวิตแล้วโอ้เป็นงนี้นะแล้วให้เกิดทํา ไ, ไมมันจะเกิดความเหนื่อยหน่ายต่อการเกิดมาเป็นคนเนี่ยทําไมจึงจะไม่อยากเกิดอีกฮนะเกิดมานี่เป็นทุกข์นะเพราะเกิดมาเดี๋ยวเป็นรโรคภัยไข้เจ็บเป็นโลกนั้นโลกนี้ซ้าละพันต์จะจะเป็นแต่คนก็ไม่อยากตายดูดิเห็นไหมคุณจะอยากตายหรือไม่อยากตายก็ตามนะมันก็เกิดโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยนั้นทําไมจึงจะเห็นมันเนี่ย มีโยโมโอ้คนนั้นก็เป็นโรคันนั้นคนนี้ก็เป็นโรคอันนี้ขอกินยาหน่อยอะมิจะโรคแล้วโลกนี้สี่เวลายน่าอยู่เหรอือมันไม่มีอะไรนะ่ะอันก็มาเฝ้าดูสมุทัยปัญหาของมันดูดิเห็นว่าเป็นทุกข์เนี่ยเห็นไหมยังเห็นทุกข์เขาว่าเห็นกายก็คือเห็นทุกข์นั่นแหละเห็นทุกข์แล้วอยากออกจากทุกข์อยากออกจากทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรอ่ะพอมาเฝ้าดูทุกข์ทางกายนี่ออกได้ไหมออกไม่ได้ยังไงก็ออกไม่ได้ ทางกายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ของมันนะมันแก่มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันเท่านะ life, นะชาติปีตุขาชราปีตุขามรณะปีตุขังเนี่ยการเกิดเป็นทุกข์การแก่การเจ็บการตายเป็นทุกโศกกับบริเทวะทุกขโทมณัตอุปาญาสาปีตุขาความพอใจความไม่พอใจความพิไรลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจทุกขทมานัตนะความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลาย ทุกโโหติดนานะนี่พวกนี้รวมเรียกว่าทุกละทุกขาเปรตตาทุกจะพาเป็นตัวชักจูงดึงชีวิตไปข้างหน้าละสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คืออาการอันเนี้ยที่เราเป็นทุกเนี่ยที่มันจะลากไปเนี่ยในอดีตมันดึงมาเป็นวันนี้จากวันนี้มันจะดึงไปนะอนาคตทุกขารเรตาอเปวนามิมาสเกวลาสะทุกขันขันสะอันตะกริยายะสังมัตันตุ ทำไงการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดเก่เราได้กองทุกนะเนี่ยกองทุกทั้งมีสองกองอะกองรูปกับกองนามทำไงมันจึงจะปรากฏชัดนั้นเวลาปฏิบัติธรรมเราก็จะเปลี่ยนในเยียบดพยายามดูมาดีๆสังเกตมันอย่าเดินไปเดินมาอย่ามาพูดมาคุยให้มันคลายไม่ดูมันเฉยๆเนี่ยดูไปเรื่อยๆเรืยๆจนทั้งว่า ความทุกข์มันชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วเราจะเหนื่อยในทุกข์แล้วมันจะเกิดปัญญาญานนะสลัดทุกข์ขอเรียกว่าอริยะอริแปลว่าฆ่าสึกแงแปลว่าหลุดออกไปอย่างนะอริยัปเวทิเตอริยัปอริยะเนี่ยแปลว่าพ้นห่างแะแะบัเราเรียกว่าแะออกดูนี่ยทีนี้เราจะเห็นถ้าสมมุติว่าเรามองเห็นเหตุเกิดทุกข์แล้วเนี่ย เหตดเกิดทุกข์มันมีอันหนึ่งทุกข์เราเนี่ยไม่ใช่มีแต่ทุกข์ทางกายนะเนี่ยทุกข์ทางจิตก็มีจิตคือความพอใจไม่พอใจความชอบความชังความหงุดหงิดความง่วงความเหงาเนี่ยเอาลงตาถามหน่อยความงว่วงเนี่ยเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจือ ม, มันเกิดจากกายหรือเกิดจากจิตเฮ้อหลายหลายคนโอ้ยบ๊ะเด็ักระพรเดินทางไกออ่อ่อนเพี้ยเกิดจากทางกายหรือทางจิต เราทางกายเหรอเอานอนมาเมื่อกี้นี่มันมานอนอีกแล้วเนี่ยถ้าว่าไม่ได้พักผ่อนก็เพิ่งตื่นมาตอนที่สามที่สี่เนี่ยเนี่ยมันก็สลึมสลืออีกแล้วเกิดจากทางไหนเอาเดี๋ยวมันเกิดจากทางอะไรจริงๆแล้วเนี่ยกายหรือจิตเอาคนไหนเข้าใจสัจธรรมมานี้ได้คนนั้นก็จะแก้ได้เลยแหละเหตุเกิดทุกข์ก็คือมาซ้อมเบิ่งนี่แหละสังเกตเนี่ย ดูมันออกแล้วอย่างหนึ่งอยากให้เห็นแบบนี้นี่เวลามันง่วงมันจะซึมซึมซึมซมเข้ามามันเข้ามาทางไหนทางตาหรือมาทางขาหืมมาทางไหนหรือมาทางไถ่ถอยมีพระองค์หนึ่งโกหกลงตาหนึงคือคุยกับเขาก็ไม่ได้คิดว่าอะไรนะโกหกก็แล้วไปเพียงแต่ว่าโอ้นี่ใสคนแบบนี้เนี่ยสอนยากนั่นเองคนโกหกเนี่ยสอนยาก แต่ลวงตาก็คิดว่าวันนี้เขาโกหกวันข้างหน้าไม่ได้คิดแบบตะกะนะข้างหน้าเขาก็น่าจะดีกว่านี้ปบะมา น, นั้นแต่ทนิยใสเป็นแบบนี้เนี่ยสักครั้งสองครั้งนะโอ้เป็นนายใสที่มันแก้ไม่ได้ปัญหาก็คือต้องไปหายเขาเลิกโกหกนันเ่งแล้วเขาตั้งใจปฏิบัติแต่นี้เขาโกหกโกหกไปเรื่อยเจอที่อะไรโกหกเรื่อยนะปัญหามันก็คือเอา้า ล้นตาเห็นสักสองสครั้งถ้ามันโกหกบ่อยๆล้นตาจะไม่ค่อยคุยด้วยนะไม่ว่าเป็นโยมหรือเป็นพระนะะคือมันจําเป็นเป็นแบบหนึ่งนะจําเป็นเนี่ยเป็นแบบหนึ่งนะแต่โดยนิสัยโดยสันดานเนี่ยเรารู้ว่าคนนี้โดยนิสัยนะเนี่ยล้นตาก็ปล่อยวางาจบนะไปเองนะทําเองศึกษาเองเรียนรู้เองไม่จะเป็นต้องเรียนต้องสอนต้องบอกต้องกล่าวพเพราะอะไเพราะว่า มันไม่มีความละอายในการกระทําของตัวเองเนี่ยปฏิบัติธรรมนี่แก้ไขยากนะเนี่ยโกหกเรื่องอะไรอย่าให้พูดเลยนะถ้าพูดแล้วมันจะรู้ตัวแต่ฟังไว้ก็ดีเหมือนกันนะนะมันยากนะจาาว่าเรามีมีอะไรมีเงื่อนไขมีอะไรกับชีวิตเขาเหรือไมนะ่สิ่งที่ทําคือทำไงยจะให้เขารู้มากกว่าที่เป็นน่นเอ แต่มันก็ไม่อยากปฏิบัติมันก็หลอกไปเรื่อยๆหลอกเรื่อยๆรืยๆเรื่อยๆก็เล ย, เอ ย, เอ ย, เอยโอ้มันคบยากคนไม่มีความจริงจังตั้งใจเขาเรียกว่าคนโมคะบุรุษนะคนโมคะภาษาบันธะมันพ่อกระเทินพ่อกระเทินคนมันพ่อกระเทินสอนไม่ได้เนี่ยอย่าง ในอริยสัจเนี่ยพอเรารู้จักทุกรู้จักเหตุของทุกอย่างที่โรดดาว่าดูดิความว่วงมันเกิดอะไรถ้ามันมีสติดีนะพอเห็นเหตุของความว่วงมันเดี๋ยวดับหูบสลายกลายเป็นความว่างความปร่งมันดีความปงม่คมปงความโล่งที่ปรากฏขึ้นเขาเรียกว่านิโรดน่ะนิโรด น, น, น้อยๆนะนิโรดนิพานก็ต่างหากนะอันนี้มันเริ่มนิโรดขึ้นมา น, น้อยแล้วเนี่ยโอ้มันโลง่งมันปง่งมันเป็นแบบนี้เนาะนิโรดนะนี่ มักล่ะมักคือทําแบบเมื่อกี้นี่ยทําทำไงมันถึงโล่งนี่นะทําไงมันถึงโปร่งเมื่อกี้เนี่ยอย่างเราดับความง่วงได้ดับความปุ้งซ่านได้ดับความคิดได้โอ้มันออกไปแล้วได้ น, น้อยในเรื่องเห็นแล้วทีนี้ทําไงจึงจะทําให้การรู้แจ้งนี้สมบูรณ์แบบอันตกรกิริยายะสัจฉกิริยายะปัญญาเยทาปัญญาเห็นการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดเกรแล้วเรอ ไอ้ความปรากฏชัดของทุกขมันทุกข์มากในเราอยากหนีเหมือนเราเห็นไฟในเราจะอยู่ให้ห่างไกลถ้าเราเห็นว่าความคิดความปรุงแต่งความโลภกดลงเป็นทุกเนี่ยจิตเราจะอยากอยู่ให้ห่างไกลดันดีอ่ะมันจะอยู่ไกลออกมาทันดีมันจะไม่อยากเข้าใกล้ไงแล้นทาาําไงเพื่อจะเห็นทุกจริงๆก็คือต้องเฝ้าดูอ่ะเฝ้าดูก็คือไม่หลับตามมันแทนที่จะดูทุกกูก็เป็นทุกทันดีอถ้าหลับก็เป็นทุก ถ้าเราดูความงุนง like ิดตัวเองเป็นความงุนงิดก็เป็นทุกข์ทันทีดูความง่วงตัวนี้ก็เป็นความง่วงทันทีดูความคิดตัวเองก็กลายเป็นความคิดเข้าไปอยู่ในความคิดซะนั้นอย่าเข้าไปออกมาอยู่ข้างนอกก็เรียกว่าออกจากทุกข์ออกจากทุกข์ก็คืออย่าเข้าไปอยู่ในกระบวนการของการเกิดทุกข์อันนี้ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ทางธาตุสี่หรือทุกข์ทางขันห่านะเราดูมันเฉยๆดูมันเกิดมันดับเฉยๆเนี่ยนั้นถ้าเราดูเห็นมันดับไปปุ๊บ ก็แสดงว่าเราจเจริญอริยสัจละเนี่ยดูทุกเหตุเกิดทุกเก็เห็นละสมุทัยนิโรธอา้าวพอเห็นปุ๊บมันกระดับปุ๊บมันสว่างมาลงมันปร่งแล้วเป็นนิโรธละมักก็คือทําอีกเที่ยวอยู่เรื่อยทางเนี่ยทุกเป็นสิ่ที่ต้องกําหนดรู้สมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละมักเป็นสิ่ที่ต้องเจริญ น, นิโรธควรทําให้แจ้งนิโรธเนี่ย ทำให้มันแจ้งโดยสมบูรณ์เลยทำอีกอยู่นั่นแหละจนทำมันสมบูรณ์แบบเน่ะนิโรธทําให้แจ้งมันแจ้งแล้วเนี่ยสบายแล้วเนี่ยมันสว่างแล้วหกโมงแล้วยังไม่แจ้งเลยของสุขเจ้าได้แจ้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นนเนาะแจ้งพอดวงอาทิตย์ขึ้นแต่บางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยอภัพนะโดยเฉพาะคนกรุงเทพตื่นสายๆเจ็ดโมงแปดโมงไม่มีโอกาสได้เห็นดวงอาทิตย์รู้จักไม่ดวงอาทิตย์มันสีอะไร เวลามาขึ้นตอนเช้าน่ะสีแดงนะแล้วมันกลมนะเด็กทุกวันนี้อาจจะไม่เคยเห็นเนี่ยสี่โมงสามโมงสองมงวันเสาร์อาทิตย์ก็นอนน่ะเลยไม่รู้จากดวงอาทิตย์สีอะไรเดี๋ยวนี้เลยได้ไปเห็ดูดวงอาทิตย์ที่ผาชนะใดที่ผาแต้มที่โน่นที่นี่ไปเห็นดวงอาทิตย์ทายรูปก้อนใหญ่มันไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาลุงท้าว่ามาอยู่วัดสมนัตเนี่ยตื่นตั้งแต่ที่สองมาดูเลยดวงอาทิตย์เนี่ยเห็นตลอด สบายอย่างนี้เนี่ยแต่เด็กทุกวันนี้มันไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์น่าสงสารเขา <c oughs> ดวงอาทิตย์ของสาธารณะอยู่บนฟ้าใครอยากเห็นก็เห็นเต็มมันไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะมันตื่นสา ย, ยางไงตื่นมาก็มันสว่างแล้วมันไปแล้วขึ้นเที่ยงแล้วมาดูเอาซะเนี่ยมองไกลๆมองไกลๆโอ้ยเย็นซีอ่อนจังหลับอยู่เลยมองไกลๆหายใจยาวๆเหมือนเด็กนั่นแหละ มร้องไห้เอาขนมมาเลี้ยงมันนี่มันร้องไห้มันง่วงมันเอาลงตาก็จะเอาข้าวต้มป้อนมันนี่เนี่ยทูตเจ้าพรเห็นติเวลามันง่วงมาไม่เคยเห็นเลยหรือมันซึมๆเข้ามาเนี่ยดูไม่ออกเหรอมันแวบไปเลยเหรออมันจะสอบติดไหมเนนี่วันเนี้เมื่อวานนี้คนสุดท้ายตักข้าวต้มมาบนกับลุงตาวัดนี้เขาทํากันอย่างนี้เหรอมคนสุดท้ายได้ขูดเอาในหม้อเลยเหรอนี่น ว้ยเขาทําแบบนี้มานานแล้วอ่ะเพิ่นว่าเธอเป็นคนสุดท้ายนั้นมันจะไม่เปลี่ยนนะเริ่มที่นี่แถวสองแถวสมแถวสี่แถวห้ า, 2, า, 3, า, 4, า 5, ลุกไปรับตามระดัวันที่ต่อไปก็เริ่มแถวนี้ส่วนคนสุดท้ายมันก็จะได้ขูดประจำละนั้นเราก็แถวนั้นบา้างแถวนี้บ้างเปลี่ยนกันขูดนะเอาความไม่เที่ยงมาว่าเลย ต่อไปเราไปอยู่ที่ไหนก็เราได้กินก็นสบายใจไม่ได้กินก็นสบายใจกูฝึกมาแล้วเนีงยยังไงก็ได้อนาตตาไม่มีอะไรอะออกไปี่กูจะเมาไปจากบ้านจานเด็ดนี่แหละอันนี้คจะแย่นะคนเนี่ยทําสบายๆนะอา้าตอนนี้หกโมงแล้วเนี่ยบางวันก็หกโมงครึง่งแต่วันนี้จะให้กินข้าวตั้งแต่หกโมง ก, กว่านี่แหละไหวไหม ทานข้าวตอนนี้ได้ไหมผิดใช่ไหมผิดธรรมเนียมอยู่ที่บ้านใช่ไหม <c oughs> บ้านกินห้าโมงนู้นบางทีเขาไม่ได้กินข้าวเลยเพราะอะไรตื่นสายได้แต่กาแฟบางคนขนาดทาแป้งก็ได้ไปทาบนรถเพราะอะไรเพราะมันตื่นไม่ทันเลยไปเสริมสวยบนรถถ้าช้ากว่านั้นจะทํางานไม่ทันนะขับรถไปไปถึงที่ปุ๊บก็ออกมาผัดแป้งหัวค่อยลาลงจากรถไปถ้าไม่ทาก็ไม่ได้ทั้งโลกเนี่ย นะแต่ถ้ามาปฏิบัติทำไม่ต้องทานะไม่ต้องทาแป้งไม่ต้องแต่งตัวเอาลืมตากว้างๆนะโยมเนาะมองไกลๆพูดดีก็แล้วพูดไม่ดีก็แล้วรับคือเกาปวดว่าหา หนานี่หนานี่แปลว่ามันปึกเนะี่ยมันเราเรียกหนาเป็นปึกก็หมายความว่าเบาสองเท้อกับเท้าบางคนเขาบางพอลงตาพูดเสียดสีหน่อยไปช็อหน่อยว่ากูยันปัญวาป่ารู้ซึกงตัวบางคนคือเกาสร้ า, างเบาลงไปกู <c oughs> สิน้อนกูสีรับนี่ไม่เห็นไหนมันแสบก็ดอกก็เดียวรับไปเรื่อยก็เกินไปแล้ว ย, ย, ยืนอยู่เฮ้ยหรือจะเดินไปข้างหลังเอากันไกลไปหนีผมให้สักหน่อยซูนอยู่เจ็ดมือ ไ, ได้นี่ เกิดอารมณ์เสียในจิตนะทุกข <c oughs> ์เอาเอาตั้งใจตั้งใจทำความสงบนะสักครู่สร้างจังหวะได้ไม่ใช่สงบกายด้สงบจิตได้สร้า ง, งจังหวะนะทำยกมือส่งสูงนี่นี่ขนเราเนี่ยทำเหมือนพระนี่นะนมันหนาวมากเลยมันนี่ทำไมมันง่วงจังวะเนี่ย อย่างนี้มันจะได้เลยเนี่ยอันนี้ควงเข้าประตูมเขาตู้มเขาอืาบางคนไปเดินจุกมลมวงตาเห็นนะแขนมันก็ถอดออกมันไม่มีแขนเลยเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็เดินโอ๊ยบระโดดดอกอันนี้เจ้าหน้าก็ลลับอย่าไปกลัวมันเอาออกมาเลยนะออกมาเลยสู้ตายเลยอ่ะมันจะมีอะไรเนาะชีวิตมันไม่ได้มีอะไรเลยมันหนาวแก้ผ้าเดินมันร้อน เอาพนวมหมสร้างจังหวะเนี่ยส่วนกระแสดิให้มันรู้จักทุกมันเป็นยังไงเนี่ยอย่าไปทําตาม ท, ที่มันชอบเลยมันอยากกินนะนี่ไม่ต้องกินตามมันอะ่ะมันเมื่อยไม่เมื่อยตามมัน